เด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วคุณสายใจจึงเข้าห้องพระสวดมนต์แผ่เมตตาปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนับตั้งแต่หลานชายแนะนำเมื่อสามเดือนก่อนเธอเพิ่งจะทำใจได้เรื่องที่สามีไปอยู่กินกับผู้หญิงคนใหม่เมื่อก่อนที่ยังตัดไม่ลงปลงไม่ตกก็เกิดความกลัดกลุ้มเครียดแค้นทิ่งชังคุณเปี่ยมผู้สามี ที่ทอดทิ้งไปตั้งแต่ลูกชายอายุเจ็ดขวบส0ปีที่ต้องอยู่กับความโศกเศร้าและทุกทรมานสองเดือนแรกของการปฏิบัติเธอแผ่เมตตามไม่ออกเพราะความแค้นมีมากกว่าจะอโหสิกรรมให้เขาได้เมื่ออโหสิกรรมไม่ได้จึงทำให้แผ่เมตตามไม่ออกอาศัยที่หลานชายเอาใจใส่และติดตามผลอย่างใกล้ชิด จนเธอสามารถปฏิบัติตามได้เวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเธอก็หายขาดจากไข้ใจที่เป็นมานานถึงสิบปีคุณสายใจได้ประจักษ์แล้วว่าอำนาจแห่งพระพุทธคุณนั้นแก้ทุก์ได้จริงและเห็นผลทันตาอย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้จิตของเธอเป็นอิสระจากผู้ชายคนนั้นจะไม่ทุกทนหม่นหมอง เพราะเขาอีกต่อไปเรือหางยาวแล่นมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านสามกระไดบุรุษที่มากับเรือบอกคนขับให้รออยู่ก่อนตัวเขาเดินขึ้นมาบนบ้านเห็นหลวงทารา น, นั่งอ่านหนังสืออยู่จึงคลานเข้าไปกราบคุณพ่อครับผมมาขอขามา ลงโทษประการใดก็สุดแล้วแต่คุณพ่อเธอครับคุณหลวงมองลอดแว่นพลางถามขอขมาเรื่องอะไรเธอเป็นใครท่านจำบุดเคยไม่ได้คุณพ่อจำผมไม่ได้หรือครับผมสามีแม่สายใจบุตรสาวคุณพ่อไงครับหลวงทารามองบุรุษนั้นอย่างพินิจคุณเปี่ยมผายผอมลงไปมาก หน้าดำคล้ำ ม, มองไร้สงาราศีช่างผิดกับตอนที่อยู่กับแม่สายใจลูกสาวของท่านราวกับเป็นคนละคนอ๋อไปยังไงมายังไงละพอคนคนเป็นพ่อตาทักทายเห็นสารรูปลูกเขยก็ให้นึกสงสารที่อยากจะต่อว่าต่อขานจึงต้องงดผมไปอยู่บางกะปิมาครับ แล้วลูกเมียเป็นอย่างไรบ้างไม่ลูกกี่คนล่ะท่านยังมีแก่ใจถามถึงพ ญ, ญาคนใหม่ของเขาเลิกกันแล้วครับโชคดีที่ไม่มีลูกด้วยกันคุณเปี่ยมตอบเขาจะไม่บอกคุณหลวงดอกว่าที่ต้องเลิกกันเพราะหล่อนมีชู้เขาถูกสวมเขามานานกระทั่งจับได้คาหนังคาเข า, ขาเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา จึงประกาศขอแยกทางกับหล่อนทีแรกเขาไม่คิดจะกลับมาหาคุณสายใจด้วยรู้สึกละอายที่ทอดทิ้งเธอไปคุณเปี่ยมทนอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายได้เพียงสองเดือนก็เริ่มคิดถึงคุณสายใจความคิดถึงนั้นรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเขาก็ทนไม่ไหวต้องบากหน้ามาหาเธอ แล้วนี่จะกลับมาขอคืนดีกับลูกสาวฉันเหรอคุณหลวงถามตรงไปตรงมาออกดีใจแทนหลานชายที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครับแต่ไม่ทราบว่าเธอจะยอมคืนดีด้วยหรือเปล่าผมอยากขอความกรุณาคุณพ่อช่วยพูดให้ด้วยคราวนี้คุณหลวงออกโกรธจริงว่า ก, ก็ตอนที่พ่อเปียมทิ้งลูกสาวฉันไป ไม่เห็นบอกให้ฉันช่วยพูดพราะจะมาขอคืนดีกลับจะให้ช่วยฉันไม่เอาด้วยหรอกบอกตามตรงว่าฉันไม่ชอบคนขี้คลาดมีอะไรก็ไปพูดกันเองฉันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียคนอื่นไม่ใช่คนอื่นนะครับไม่สายใจเป็นบุตรสาวของท่านคขาเปลี่ยนมาใช้ท่านแทนคุณพ่อนี่ อย่ามาทำตีฝีปากหน่อยเลยพ่อคุณฉันก็โกรธไปเหมือนกันนะอุตสาไม่โกรธที่ทิ้งลูกสาวฉันไปก็บุญเท่าไรแล้วแม่วาดมาเนีทีสิท่านเรียกแม่บ้านแม่วาดคํามนานังคุกข่าตรงหน้าท่านจึงออกคำสั่งช่วยไปบอกแม่สายใจมาที่นี่หน่อยมาเดี๋ยวนี้เลยฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเขา แม่วาดลุกออกไปแล้วหลวงธาราจึงพูดกับอดีตบุตรเขยว่าเอาล่ะโูดกันตอนนาฉันนี่แหละโูดเองนะฉันไม่ยุ่งโดยหรอกขอบพระคุณครับคุณเปียมกล่าวนึกกระยิมใจว่าอย่างไรเสียคุณสายใจก็ต้องยอมคืนดีกับตนคุณสายใจกำลังทำอาหารอยู่ในครัวเมื่อแม่วาดเข้ามารายงานว่า คุณท่านเชิญไปพบเดี๋ยวนี้โจคะมีเรื่องอะไรหรือแม่วาดทราบไหมไม่ทราบเจา้าค่ะอีฉันเห็นท่านนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกคุนคุณหน้าแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนแม่บ้านจำสามีคุณสายใจไม่ได้หรือจะเป็นพวกขายของเร่คุณพ่ออาจจะให้ฉันไปช่วยดูสินค้ากระมังคุณสายใจพูดพลางเดินไปหาบิดาไม่ลืมสั่งแม่วาด ให้ช่วยทําอาหารต่อคุณพ่อมีอะไรจะให้ดิฉันรับใช้หรือคะหลนถามบิดาคุณเปี่ยมมองพัญยาอย่างเกรงเกรงคิดว่าเธอคงจะสู้ผอมเพราะตรอมตรมหากก็ดูเธอมีความสุขหน้าตาอิ่มเอิบกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ําเขาไม่รู้ว่าพัญญาเพิ่งจะพบกับความสุขเมื่อสองสามเดือนมานี้ดูสิใครมาหา คุณสายใจพิจารณาดูบุรุษร่างผอมใบหน้าหมองคล้ำแล้วอุทานออกมาว่าคุณเปียมหากเป็นเมื่อสามเดือนก่อนเธอคงจะโผเข้าหาด้วยความดีใจแต่เมื่อเธอสามารถวางใจเป็นอุเบกขาได้ความรักความชังก็หมดไปมีแต่ความเมตตาปราณีเข้ามาแทนที่เมื่อเห็นสารรูปของคนที่ตนเคยรัก ไปยังไงมายังไงคะทำไมถึงเปลี่ยนไปมากจนดิฉันจําแทบไม่ได้คำพูดนั้นไม่บ่งบอกว่าอินดีหรือยินร้ายฉันเออก็อมองคุณหลวงเหมือนจะให้ช่วยพูดหากท่านทําไม่รู้ไม่ชี้มีอะไรจะให้ดิฉันช่วยเหลือก็บอกมาเถอคะค่ะหากไม่เหลือบา ก, การางดิฉันยินดีช่วย คุณสายใจคิดว่าลูกหรือพัญญาใหม่ของเขาอาจป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาจึงต้องมาขอความช่วยเหลือฉันเออจะมาขอโทษแม่สายใจที่ฉันเออที่คุณทอดทิ้งดีฉันไปถึงสิบปีคุณสายใจช่วยต่อให้ฉันผิดไปแล้วจ้ะโปรดให้อภัยฉันด้วยอดีตพัญญามองหน้าคนที่เคยเป็นสามี เห็นน้ำใสๆคลอหนยตาทั้งสองเธอรู้สึกสมเพศจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าดิฉันยกโทษให้คุณนานแล้วอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยแล้วพันยาคุณไม่มาด้วยหรือคะมีลูกด้วยกันกี่คนคำถามนั้นเหมือนเพื่อนถามเพื่อนไม่สอแววประชดประชันหรือหึงหวงแต่อย่างใดฉันเลิกกับเขานานแล้วเราไม่มีลูกด้วยกัน ที่ต้องเลิกกันเพราะไม่มีลูกเท่านั้นเองหรือคะคุณสายใจอยากรู้เปล่าจ่ะมีเรื่องร้ายแรงกว่านั้นฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกแต่ถ้าแม่สายใจต้องการทราบฉันก็จะเล่าให้ฟังถ้าเช่นนั้นก็อย่าลำบากเลยค่ะแล้วที่มานี่จะมาเยี่ยมลูกหรือคะฉันคือเมื่อแม่สายใจยกโทษให้แล้วฉันก็คิดว่า จะมาขอคืนดีด้วยหากฉันจะกลับมาอยู่กับเธอและลูกจะขัดข้องไหมจ๊ะดีฉันไม่ขัดข้องค่ะแต่บ้านนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ดีฉันคุณต้องขออนุญาตท่านเสียก่อนคุณเปี่ยมมองหน้าหลวงทาราคิดว่าท่านจะเอ่ยปากอนุญาตแต่ก็เปล่าคุณพ่อครับผมจะขอเข้ามาอยู่ในบ้านสามกระไดอีกครั้งคุณพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าครับ คนพูดรู้สึกอัปยศอดสูที่ต้องบากหน้ากลับมาขออาศัยเขาอยู่นึกตำหนิตัวเองที่ก่อเรื่องเสื่อมเสียจนลูกเมียกลายเป็นคนมีปมด้อยฉันไม่ขัดข้องแต่ก็ควรจะขออนุญาตคุณยิงเขาด้วยบอกเสก่อนนะว่าครั้งนี้ฉันไม่โกรธไม่ถือโทษแต่ทารึองอย่างนี้โกรดขึ้นอีกครัง ฉันจะไม่ยอมให้เธอมาเหยียบบ้านสามกระไดของฉันอีกคุณหลวงกำชับผมขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายครับตกลงไม่สายใจยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะเขาถามพัญญาถ้าทางไม่ยินดียินร้ายของเธอทําให้เขาเกรงใจดิฉันบอกแล้วยังไงล่ะคะว่ายกโทษให้คุณมานานแล้วแต่กระนั้นดิฉันก็ขอบอกก่อนว่า จะไม่อนุญาตให้อยู่ร่วมบ้านกันฉันสามีพันยาจึงขอให้คุณไปอยู่ห้องเดียวกับพ่อประพ์ดิฉันยินดีพอใจกับความเป็นอิสระเสียแล้วคะ่ะอย่าหาว่าดิฉันเล่นตัวหรือเรื่องมากเลยนะคะขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอย่างพี่น้องเพราะถึงอย่างไรคุณก็เป็นมีดาของพ่อประพ์ได้ยินท้อยคาของพันยาคุณเปี่ยมรู้สึกผิดหวัง คำพูดนั้นบ่งบอกว่าเธอหมดความรักใคร่ใยดีในตัวเขาแล้วนี่เขาต้องสูญเสียทั้งพัญญาใหม่และพัญญาเก่าเชียวหรือใบหน้าที่หมองคล้ำซีเซวนั้นกลับซีดหนักเข้าไปอีกหลวงทารารู้สึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าแม่สายใจการเป็นคนเจ้าทิฐิทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะลูกนะคุณแม่ของลูก เขายัางไม่เคยมีทิฏฐิกับพ่อคุณสายใจชี้แจงว่าดิฉันไม่ได้ทิฐินะคะคุณพ่อดิฉันเพียงแต่พูดไปตามที่รู้สึกดิฉันไม่โกรธคุณเปี่ยมเพียงแต่ไม่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตคู่อีกดิฉันกําลังเพลิดเพลินกับความเป็นอิสระค่ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อพ่อเจริญก็ช่วยแนะนําดิฉันก็พบกับความสุขอีกครั้ง ใครครับคุณพ่อพ่อเจริญที่แม่สายใจพูดถึงความหึงหวงแล่นเข้าสู่จิตใจของบุรุษวัยห้าสิบผู้ชายที่ชื่อเจริญคงจะชอบพอกับคุณสายใจเหตุนี้เล่าเธอจึงหมางเมินไม่ยินดียินร้ายกับการกลับมาของเขาลูกชายพอพองยังไงละ่ะอายุไล่เลี้ย ก, กับพ่อประพจน์ตั้งแต่พ่อเจริญเข้ามาอยู่บ้านนี้ ไม่สายใจกับพ่อประพจน์ดูมีความสุขขึ้นมากแทนที่จะนึกขอบใจที่หน่มน้อยทําให้ลูกและเมียมีความสุขคุณเปี่ยมกลับมีจิตริษยาหลานชายคุณสายใจคุณแม่ท่านยอมให้พ่อพองเอาลูกมาฝากหรือครับเด็กบ้านนอกคอกนาจะมาอยู่กับท่านได้ยังไงพูดด้วยจิตริษยาคุณเปี่ยมอย่าพูดถึงน้องชายและหลานชายดิฉันอย่างนั้นสิคะ เ็ามีความสำคัญต่อแม่สายใจมากมายนะหรือถึงได้ห้ามไม่ให้ฉันพูดถึงคนผ่านพูดอย่างพันผ่านใช่ค่ะเขามีความสำคัญต่อดิฉันมากและดิฉันก็รักเขาเท่าเท่ากับพ่อประพ์ของดิฉันหลวงธาราพอจะเดาใจบุตรเคยออกว่ามีจิตริษยาหลานของพันยาจึงพูดขึ้นว่าเรื่องของป่ากับหลาน พอไปยำอยากไปเก็บมาเป็นอารมณ์เลยไปหาคุณหญิงเด็กกว่าโนนคุ้มพวกเด็กๆทำงานอยู่ในสวนโนนถ้าเช่นนั้นแม่สายใจจะไปกับฉันไหมไปเป็นเพื่อนหน่อยสิเขาพยายามที่จะใกล้ชิดกับพันยาอย่าเลยค่ะดิฉันต้องไปทำอาหารในครัวอีกสักพักพวกเด็กๆ ก, ก็คงจะพากันกลับจากโรงเรียนคุณเปี่ยมไปคนเดียวเถอะอ๋อ แล้วไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยหรอกหรือคะเธอถามเมื่อไม่เห็นกระเป๋าหวายบรรจุเสื้อผ้า ข, ของเขาเอามาจากฉันวาดจ้างเรือหางยาวมาจากสะพานพุทธเสื้อผ้าข้าวของอยังอยู่ในเรือแม่สายใจลงไปช่วยฉันขนของหน่อยได้ไหมให้แม่วาดไปช่วยดีกว่าคะ่ะดิฉันจะไปเรียกมาให้ยังไม่ทันที่คุณเปี่ยมจะทัดทานคุณสายใจก็เดินเข้าครัวไป ประเดี๋ยวหนึ่งแม่วาดก็เดินออกมายกมือไหว้แหมอีฉันจำท่านไม่ได้จริงๆทั้งผอมทั้งดำหมดสง่าราศีคนมีหลายเมียคงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเจ้าคะแม่บ้านพูดกระแนะกระแหนะคุณเปี่ยมรู้สึกโกรธหากก็พยายามระงับไว้ด้วยต้องการรู้อะไรบางอย่างจากหยิงผู้นี้ไม่วาดพ่อจเจริญเธอเป็นอย่างไรบ้าง เห็นว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาคงไร้สกุลรุนชาติกระมังจิตที่ริษยาพาปากพูดหาไม่ได้เจ้าค่ะคุณเจริญเธอเป็นเด็กดีจิตใจก็ดีไม่เคยอิจฉาริษยาใครทั้งกกลียมอริยาาก็เป็นชาติผู้ดีดูเธอเรียบร้อยกว่าลูกสาวคุณสายจิตซะอีกการบ้านการเรียนหรือก็เก่งทำกับข้าวก็ได้เย็บใบสีก็เป็นอ๋อคงจะเป็นกระเทย บุรุษวัยห้าสิบหาเรื่องว่าอีกจนได้เธอไม่ใช่กระเทยหรอกเจ้าค่ะคุณเจริญเป็นชายอกสามสองมีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวหากใครได้เธอเป็นพ่อบ้านผู้หญิงคนนั้นคงโชคดีที่สุดในโลกอีฉันรับรองว่าเธอจะไม่ทำให้ลูกเมียต้องมีปมได้เพราะเธอไม่วาดฉันไม่อยากฟังจะช่วยยกของก็ตามมาหรือเขาจะได้ไปจอดรอยอยู่นานแล้ว แม่วาดจึงลงไปช่วยขนของขึ้นจากเรือกำลังจะเดินไปยังห้องคุณสายใจคุณเปี่ยมก็ทวงขึ้นว่าเอาไปไว้ที่ห้องคุณประพ์ทำไมหรือเจ้าคะออคุณสายใจเธออาจจะยังเขินกระมังไม่ใช่รกแม่วาดฉันว่าพอเจริญนั่นคงจะยุแย่แม่สายใจมากกว่าเมียฉันก็เลยกลับกลายเป็นคนละคน คราวนี้แม่วาดเหลืออดจริงจริงจึงตอบโต้ว่า่ามองคนในแง่ร้ายอย่างนี้นี่เล่าถึงได้หาความสุขไม่ได้คุณเจริญเธอเป็นคนมีจิตใจงดงามไม่เคยคิดอกุศลกับใครอีฉั้นว่าท่านน่าจะขอบใจเธอด้วยซ้ำที่เธอทําให้คุณสายใจกับคุณประพ์มีความสุขตอนที่ท่านทอดทิ้งเธอไปมันชักจะมากไปแล้วนะแม่วาดรอนเป็นบ่าวก็อยู่ส่วนบ่าว อย่าสเสอะะมายุ่งเรื่องของเจ้านายหากไม่เชื่อฟังฉันจะให้แม่สายใจไล่ออกเชิญเลยเจ้าค่ะเชิญไล่ออกวันนี้พรุ่งนี้เลยเอ้ฉันก็ไม่อยากอยู่รับใช้คนใจริษยาอย่างท่านหรอกอยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างเบ่าที่จงรักภักดีกับสามีจิตอากุศลคุณสายใจเธอจะเลือกข้างไหนคุณหญิงห่วงกลับจากสวนเดินมาได้ยินเข้าจึงถาม อะไรกันจ๊ะแม่วาดโมโหโกรธาเรื่องอะไรหรือว่าไปกินแรงแตนที่ไหนมาแม่บ้านสงบปากสงบคำลงคุณเปี่ยมเข้าไปกราบคุณหญิงแล้วพูดขึ้นว่าผมจะมาขออาศัยคุณแม่อยู่บ้านสามกระไดครับมาจากไหนล่ะเธอนะ่ะหรือว่าเป็นญาติแม่วาดเขาไม่ใช่ญาติอีฉันหรอกเจ้าคะ่ะแม่บ้านตอบ หากก็ไม่ยอมบอกว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมาจากไหนผมคือบทเคยของคุณแม่ครับสามีแม่สายใจอ๋อพ่อเปี่ยมรหรือหน้าตาเปลี่ยนไปจนฉันจำไม่ได้นี่จะกลับมาอยู่กับลูกกับเมียแล้วใช่ไหมใช่ครับผมขออนุญาตคุณแม่นะครับตามสบายจะ้ะพ่อประพน์คงดีใจถ้ากลับจากโรงเรียนมาพบพ่อ หมดทุกข์หมดโซกันเสิทธีคุณหญิงพูดอย่างโล่ง อ, อกนายแรมนำเรือหางยาวมาจอดหน้าบ้านสาวๆทั้งห้าวิ่งแข่งกันขึ้นมาบนบ้านคุณเปี่ยมมองหาบุตรชายหากก็ไม่เห็นทราบจากคุณหญิงว่าปุดแปลกหน้าเป็นบิดาของคุณประพ์ หาพี่น้องต่างพากันยกมือไหว้คุณหญิงไม่เห็นหลานชายจึงถามและพ่อประพจน์ไปเรียนดนตรีไทยกับพอ่อเจริญหรืถึงไม่ได้มาด้วยสองคนนั่นเข้าไปเที่ยวงานวัดสาเกตค่ะคุณยายเห็นวัดจะนอนค้างที่วัดด้วยฝากสายทานมากราบเรียนคุณตาคุณยายค่ะเพื่อนคุณเจริญที่ชื่อคุณกันเทียงเขาเป็นคนชวนคนพูดรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้า เมื่อเอ่ยนามหนุ่มกันเทียงสายตาคมกริบของเขาที่จ้องมองมาทำให้เธอรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาพ่อประพ์ก็เลยไม่ได้พบพ่อเปี่ยมสินนะไม่รู้ว่าจะจำหน้าพ่อตัวเองได้หรือเปล่าคุณหญิงพูดไปเรื่อยๆหากคนที่มีแผลหัวใจกลับรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทำร้ายนี่พอเจริญคงชวนพ่อประพ์ของผมไปแล้วสิ จะทำให้ลูกผมเสียคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นางสาวสายทองกับนางสาวสายทิพย์อดทนทนไม่ได้ที่พี่ชายคนโปรดถูกใส่ความจึงพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าไม่ใช่ค่ะคุณลุงคุณประพ์ต่างหากที่เป็นฝ่ายชวนคุณเจริญ